เวลามีไม่มากเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันเต็มที่นะเวลาที่มีน้อยเราใช้อย่างคุ้มค่าก็ดีเลยเป็นการลงทุนที่ดีลงทุนน้อยจะได้ผลมากถ้าเราลองคิดดูว่าเราใช้เวลาแบบ3ามวัน แล้วก็เรามีศักยภาพที่มันเพิ่มขึ้นกับช่วงชีวิตเวลาที่เหลืออยู่เราได้เอาไปใช้เอาไปเพิ่มพูนความสุขเอาไปลดทอนความทุกข์ได้อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นลงทุน3วันเอาไปใช้ได้อีกหลายๆปี มันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคุ้มค่าแต่แน่นอนแล้วมันไม่ได้จบกันแค่สามวันเท่านี้แหละสกิลภาพที่เราได้ไปมันก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่แน่นอนว่าการที่เราได้สกิลภาพไปเราก็ เหมือนได้มีต้นทุนที่จะเอาไปต่อยอดเราก็ได้เอาไปต่อยอดกันไปเรารู้จักวิธีที่จะดูแลจิตใจเรารู้จักที่จะหาความสงบให้กับจิตใจเราก็เอามันไปใช้ให้มันกลมกลืนในชีวิตประจำวัน ทักษะอันนี้ก็อยากให้หยุดอยู่แค่ที่คอร์สปฏิบัติธรรมทักษะอันนี้ก็ควรจะต้องติดตัวเราไปด้วยเอาไปใช้ในสนามจริงอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมหลักใหญ่ใจความก็คืออยากได้สตินี่แหละอยากได้สติที่คอย เฝ้ารู้เฝ้าเห็นจิตใจลมก็ดีคำบริกรรมก็ดีก็เป็นแค่เครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะทำให้สติเกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นตัวที่เราจะยึดเอาไว้คว้าเอาไว้มันเป็นแค่เครื่องหมายที่หมายที่เราจะตั้งสติที่จะระลึก ให้มันมาอยู่ตรงนี้สติของเราให้เกิดตรงนี้ซึ่งถ้าใครทำได้ดี<ม>เห็นสติชัดเจนความรู้สึกมันชัดถึงลมมันจะไม่มีถึงจะบริกรรมพุทโธไม่ได้แต่เราจับตัวสติจับตัวความรู้สึกที่มัน ระลึกรู้ตื่รู้ที่เฉพาะหน้าได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นการที่เราประคองความรู้สึกถึงแม้แต่ว่าเวลามันเผลอไปแล้วเนี่ยมันระลึกขึ้นมาได้อาจจะไม่ได้ระลึกอยู่ที่ลมแต่ระลึกที่ ความรู้สึกที่มันชินอยู่กับเฉพาะหน้าของเราถ้าระลึอกอย่างนี้ได้ก็ยิ่งดีถ้าเรามีปัสสะน้อยมีเรื่องกวนใจในระหว่างวันน้อยบางทีลมหายใจก็อาจจะจาเป็นน้อยลงเพราะว่าสติเราเห็นชัดสติเราเกิดได้บ่อยเราก็ประคองสติอันนี้ไว้แต่ก็ไม่ได้ละเลยอะไร ฐานที่มั่นคือลมหายใจไปนะแต่หมายถึงว่าลมมันจะบางลมมันจะละเอียดหรือเราจะไม่เห็นลมมันแต่ถ้าสติของเรามันแจ่มชัดความรู้สึกตัวของเรามันชัดอยู่ก็ไม่เป็นไรรู้ว่าใจของเราอยู่ตรงไหนไม่ได้ออกไปหาความคิดไม่ได้ไหลออกไปเรื่องราวในอดีตในอนาคตอันนั้นช่างมันการที่ เรามีสติแล้วใจเรากลับเข้ามาที่กายเห็นลมเห็นคำบริกรรมอันนี้ก็ดีแต่ถ้าทำไปทำไปคำบริกรรมมั น, นเหนื่อยไปหมันหายไปหรือว่าคำบริกรรมมันรู้สึกมันทำให้เราขึงเชรียจนเกินไปแล้วก็ผ่อนๆอลง ขอแค่ว่าอย่าผ่อนให้สติมันแชยเชื้อเดือนหลอมไปลมก็เหมือนกันมันจะมีลมที่มันละเอียดเข้าไปบางไปหรือแม้แต่ลมที่มันหายไปก็ตามแต่ถ้าสติของเราความรู้สึกตัวของเรามันชัด mm hmm. ก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันใส่ใจอยู่กับความรู้สึกที่มันชัด ความรู้สึกตัวที่มันชัดอยู่อันนี้เพราะอันนี้เราอยากได้ลมมันเป็นแค่เครื่องมือเหมือนเราอยากจะขึ้นชั้นสองเราก็ต้องใช้บันไดนะแต่เราขึ้นมาแล้วเราจะกอดบันไดไว้อยู่ก็ไม่ถูกเหมือนกันเราภาวนาเราก็รู้ว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้สติ สติที่มันเข้าทันใจเห็นใจอยู่สติที่มันคอยเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งแต่ในระหว่างวันของชีวิตจริง่มันก็อาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขที่มันง่ายแบบนี้มันก็ต้องมีเรื่องที่เข้ามาหาเราเยอะในที่ทำงานก็ตามที่บ้านก็ตาม มันก็ เ, เรื่องราวร้อยแปดการที่เราจะประคองความรู้สึกประคองสติอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นลมหายใจหรือคำบริกรรมมันก็เป็นสิ่งจำเป็นะที่มันจะคอยเหมือนเป็นเสาเป็นหลัก ที่ปักลงไปให้เราคอยเกาะคอยยึดเอาไว้ไม่ให้ใจของเรามันมันฟุง้งมันลอยออกไปไหนเพราะฉะนั้นคนที่จะกำกับกระบวนการนะมันก็ก็คือตัวเราเองนี่เลยพยายามฝึกฝึกเพื่อที่จะเข้าใจมันไม่ใช่ สักแต่ว่าทํำสงเด็ไปฝึกเพื่อที่จะให้มันเข้าใจเข้าใจว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราจะได้รู้จักที่จะปรับปรุงพลิกแปลงให้มันเข้ากับสถานการณ์ของเราณปัจจุบันอย่างบางทีไม่ต้องพูดโธก็ได้ดูลมหายใจเฉยๆหรืออย่างบางทีดูลมหายใจเฉยๆมันรู้สึก ฟุ้งซ่านเลยเกินยังไม่อยู่เราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธทีๆก็ได้เครื่องมือเราจะใช้อะไรก็ได้แต่เราขอให้รู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรหรือจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร จะหายใจเข้าออพุทธโธหายใจออกพุทธโธก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยากจะพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรืออยากจะหายใจดูลองหายใจอย่างเดียวก็ได้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ความถนัดของเราให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ณปัจจุบันน แต่ก็ไม่ใช่เออะอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นั่นไม่ใช่นะคนที่ทําดีทําเป็นเขาไม่ได้เออะอะไรก็ไปโทษแต่ว่าเฮ้ยเครื่องมือเราไม่ดีไม่ใช่เออะอะไรก็มองแต่ผลแล้วก็เครื่องมือเรายังไม่ดีเลยไม่ได้เปลี่ยนหน่อยเอายังไม่ได้สักทีนีงเปลี่ยนอีกทีหนึ่งดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นคนจับจดแบบนั้น แต่เรารู้ว่าจังหวะไหนเราคุณจะเข้มข้นหรือตึงให้มันมากขึ้นจังหวะไหนเราเห็นว่ามันมันพอสมควรแล้วผ่อนให้มันบ้างอันนี้เราก็ต้องเป็นผู้ฉลาดในวรรจิตของเราเองแต่ไม่ใช่เอาแต่ความอยากคอยจุงใจไปอยู่เรื่อยๆ เมื่อไรจะได้เมื่อไรจะได้เมื่อไรจะได้คิดแต่อยู่ในหัวอย่างนั้นถ้ามันได้ตามใจอยากมันก็ได้กันทุกคนนั่นแหละแต่เพราะมันไม่ได้ตามใจอยากนี่แหละมันถึงต้องทำให้มันถูกแล้วทำให้มันถูกเนี่ยถูกจริงๆหรือเปล่า แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำถูกแต่แค่ขอให้สัตว์แต่ว่าทำถูกครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือาทาไม่ถูกนี่มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันเหมือนคนลงทุนห้าบาทสิบบาทอยากได้ผลกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนลงทุนนี่มันสมเหตุสมผลกับผลที่มันอยากจะได้ด้วยเราอยากได้ความดีความงาม สิ่งที่เราต้องใส่ไปคือความเพียรของเราความเพียรที่จะต้องคอยหมั่นตรวจสอบตรวจเช็คดูว่าอา้าวทางดําเนินของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันถูกไหมใจเรามันอยู่กับความอยากหรือเปล่าหรือใจเรามันอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหรืออยู่กับสติเฉพาะหน้าได้ดีแล้ว คนเรามันไม่มีอะไรเท่ากันเราจะดูคนอื่นดูไปทาไมถ้าดูไปแล้วเอามากดถ่วงจิตใจตัวเองโอ้ยเขาทำดีแล้วเขาทำได้แล้วเอ้เรายังทำไม่ได้เราจะดูอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ดูไปเพื่ออะไรอาจจะถ้าดูแล้วมันเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้เราเอ้ยเขาทาได้เราต้องทาได้ เขาขยันเฮ้ยเราทำไมเราขี้เกียจเฮ้ยเราก็ต้องขยันให้มันได้เหมือนเขาถ้ามันดูแล้วมันเป็นอย่างนี้มันดีความดีความงามมันฝากไว้กับตัวเองนะฝากไว้ที่เราทำจะให้ใครเป็นคนบอกใครเป็นคนจับมือทำจับมือเขียนทำให้มันไม่ได้หรอก มันต้องทําเองอเราทําเองเราก็ต้องเป็นคนที่มันมีจิตใจที่มันเข้มแข็งไม่ใช่ว่าอะไรก็อ๋อไม่ได้หรออ๋อเบื่อวะเซ็งไม่ใช่เบื่อเซ็งก็รู้สิแต่เราไม่เอาใจไปใส่กับมันก็ก็พอแล้วนี่ เรามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาใจาให้ใจมันอยากคิดมากๆเอามันมาอยู่กับกายให้มันคิดกับกายาคิดไปเอาข้างในมันมีอะไรกระดูกชิ้นไหน เ, เราดูทั่วหรือยังเอามันมาทำงานแบบนี้สิไม่ใช่เอาไปแต่ตามใจอยากเอาไปแต่ตามใจความบ่นเพือเมื่อไม่ได้อย่างที่มันหวัง ส, สาหรับคนที่ทำดีอยู่แล้วก็อย่าเอามาใส่ใจฟังให้มันเป็นแง่เป็นเงื่อนที่เราจะไม่ไม่เดินมาทางนี้เห็นรอบๆข้างเห็นความดีงามแล้วก็มาเป็นแบบอย่างเห็นความไม่ดีไม่งามเราก็เอามาเป็นเครื่องสอนใจเราว่าเราก็อย่าไปเป็นแบบนั้นอย่าไปทำแบบนั้น ซึ่งถ้าใจมันมีอารมณ์ที่มันดีอยู่แล้วสงบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเอามาดูวิจารณาร่างกายเราเนี่แหละเกิดเป็นยังไงมันเกิดมาแต่เล็กแต่น้อยนี่นมันปล่วยไข่ได้ไหมร่างกายนี้แล้วภายใต้ผิวหนังนี่มันมีอะไรบ้างสอนมันบ่อยๆให้มันเห็นบ่อยๆ ไม่ใช่ให้มันจมอยู่กับความรู้ความเห็นแบบกิเลสแบบเดิมๆเรามีหน้าที่ที่จะคอยเพิ่มความรู้ความเห็นทางธรรมะสอนมันอยู่เรื่อยๆสอนมันเนืองๆบ่อยๆจนวันหนึ่งมันก็เข้าใจของมันแล้ ตั้งหน้าตั้งตาทำไปเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุคุณธรรมทางศาสนานี้มันก็มีคุณธรรมอีกตั้งหลายอย่างก่อนที่จะไปจิงคําว่าอริยะบุคคลคุณธรรมต่างๆมันก็ต้องเตรียมไม่พร้อมเราบอกว่า เราอยากจะเป็นอริยะบุคคลเราไม่อยากมีทุกข์แต่เราไม่สร้างเหตุของการเป็นอริยะเลยมั น, ม, น, ม, นมันก็ไม่ได้ก็เปรียบเหมือนนักกีฬาที่เวลาเขาจะไปแข่งขันเนี่ยอย่างนักมวยเขาก็ไม่ใช่เอาแต่ต่อยอย่างเดียวซ้อมต่อยมันก็ถูก แต่คนที่ซ้อมต่อยต่อยเก่งแต่ไม่ฟิตกล้ามเนื้อไม่ฟิตปอดไม่ฟิตสู้ไปก็สู้เขายากหมดแรงก่อนเพราะฉะนั้นการจะเป็นนักกีฬาเป็นนักมวยที่ดีนอกจากทักษะในการต่อสู้ที่ดีแล้วคุณสมบัติพื้นฐานของร่างกายมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาก็ต้องไปซ้อมวิ่งเหมือนกันวิ่งห้าโลสิบโลทุกวันยกเวทด้วยก็ค <c oughs> ือสร้างกล้ามเนื้อทำให้ปอดแข็งแรงเวลาไปวิ่งอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะรองรับเป็นศักยภาพพื้นฐานี่มันจะรองรับการใช้งานในการที่เราจะไปแข่งจริง ไม่ใช่ว่ารู้ว่าต่อยมาเราจะหลบยังไงเราจะสวนยังไงทักษะเรามีแต่ร่างกายเราไม่พร้อมมันก็สู้ลำบากฉันได้ฉันนั้นกิเลสเราฟังเราเข้าใจเรารู้อ๋อมันมีเล่ห์เหลี่ยมแบบนั้นแบบนี้เวลาเจอเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเอาเข้าจริงศักยภาพมันไม่พร้อม ออสตกิก็ไม่พร้อมความอดทนอดกลั้นก็ไม่มีความเพียรก็ไม่มาเหล่านี้เป็นต้นมันก็ไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเอาชนะกิเลสได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมคู่เคียงมันก็ต้องพัฒนาไปด้วยความอดทนอดกลั้นความเพียรเหล่านี้มันก็เป็นคุณสมบัติจำเป็น ที่บุคคลผู้ปรารถนาความพน้นทุกต้องมีไม่มีไม่ได้สัจจงความจริงความจริงใจให้กับตัวเองความจริงจังให้กับการงานที่เรามีมันก็จาเป็นถ้าเราเป็นคนทำทำเลอะเลอะทำทำหยุดหยุดมันก็บ่งบอกถึงอะไรถึงใจเรามันไม่มีความจริงจัง ความจริงใจความมุ่งมั่นในการงานมันก็จะไม่ค่อยมีและสุดท้ายมันก็เอาไปใช้กับในเรื่องอื่นๆด้วยนิสัยแบบนี้ทำอะไรมันก็จะไม่สำเร็จสักกย่างหนึ่งแต่การที่เรามุ่งมั่นตั้งใจอดทนไม่ย่อท้อ แล้วก็ไม่เผลอเผลนไปกับสิ่งล่อหลอกไม่เผลอเพลนไปกับใจที่มันคอยมาฝ่ายไม่ดีนะที่มันคอยจะมาล่อหลอกให้เราไปทําน่วนทนํานี่ให้มันออกนอกรูนอกทางไปถ้าเราป้องกันได้เรามีความจริงใจมีความมุ่งมั่น มันก็เป็นตัวที่มันจะส่งเสริมทาให้การงานของเรามันดีการงานอย่างเช่นเราจะมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดมันก็ทำได้ดีเพราะฉะนั้นคุณสมบัติความจริงจังความจริงใจให้กับตัวเองเราจะมีให้กับคนอื่นก็ได้ แต่ถ้าเราไม่มีให้ตัวเองมันก็ทำงานทำการอะไรไม่สําเร็จสักอย่างแต่ถ้าเรามีคุณธรรมแบบนี้มีความจริงจังจริงใจมีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อไม่ต้องงานทางธรรมหรอกงานทางโลกทำอะไรมันก็สําเร็จรุ่่วงไปได้ที่สําคัญเนี่ยจะบอกว่างานภายในมันเป็นงานละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนกว่างานทางโลกมาก คนที่จะไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีความทุกข์เนี่ยเขาเป็นคนที่ละเอียดละออในการงานมากเป็นคนที่ไม่ย่อท้อเป็นคนที่ขยันทางานในภายในถ้ามันมีคุณสมบัติแบบนี้แล้วทำอะไรมันก็สำเร็จนั้นนั้นข้างนอก งานภายในมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามอย่างมากอาจจะดูทำเหมือนง่ายๆก็จริงแต่สิ่งที่ความง่ายๆมันก็ต้องเคียงคู่ไปด้วยความอดทนความขยันขยันทำไปเรื่อยๆก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ เราไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้กินพรุ่งนี้ไม่ใช่อย่าเหมือนเราปลูกมะม่มวงมาจะได้กินก็นู่นน่ะปีอย่างน้อย3ปี5ปี<ๆ>ก็ต้องมั่นที่จะลดน้ำปลนดินใส่ปุ๋ยดูแลมแมลงตา่างๆว่าจะพืชต่างๆเราก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่จนมันเป็นต้นไม้ที่ เป็นต้นมะม่วงที่มันสมบูรณ์พอมันสมบูรณ์มันก็มีดอกมีผลที่มันมันดีมันควรค่ากับการที่เราลงทุนลงแรงที่จะดูแลรักษามันมันก็ให้ผลที่มันคุ้มค่าแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีน้ำก็ไม่รดดินก็ไม่พลวน มแมลงต่างๆก็ไม่ได้ใส่ใจมันจะพืชที่มันจะคอยแย่งสารอาหารเราก็ไม่เอาออกแต่เราก็หวังผลว่ามันจะเป็นมะม่วงพันธุ์ดีเป็นมะม่วงลูกใหญ่เป็นมะม่วงที่มีรสดีเหตุมันไม่สมกันมันไม่สมกับผลที่อยากจะได้ เพราะฉะนั้นก็ลงทุนให้มันสมเหตุสมผลด้วยเราหวังผลแบบไหนเราก็ลงทุนลงแรงให้มันคุ้มค่ากับผลที่เราอยากจะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่เอาใจไปอยู่ที่ผลนะก็ย้ำหลายครั้งแล้วว่าเอาใจเราอยู่กับกระบวนการการทำเหมือนเราปลูกมะม่วงเมื่อสักครู่นี่แหละ เราไม่ได้เอาใจไปอยู่ที่ผลมะม่วงเราก็มีความเพลินมีความยินดีในการงาน่ะในวิธีการก็คืออะไรหมั่นมาดูแลรดน้ำาลนดินใส่ปุ๋ยเหล่านี้เป็นต้นทำงานอย่างมีความสุขใช่ดูแลอย่างมีความสุขแต่ถ้าใจเราไปดูแต่เมื่อไหร่ดอกมันจะออก มะม่วงมันจะออกลูกสักกีหนึ่งมันมันไม่มีความสุขหรอกแล้วเราก็ไม่ต้องไปเร่งมันมันก็ตามเหตุปัจจัยอ่ะมันโตได้ที่มันก็มีดอกมีผลตามตามธรรมชาติของมันยิ่งเราปลูกวันนี้พรุ่งนี้อยากจะได้นะว่าันทุกแน่นอน เพราะนั้นเอาใจอยู่ที่เหตุเป้าหมายมีได้แต่ใจอย่ามีความคาดหวังเป้าหมายมีเรามีความคาดหวังคือเมื่อไหร่เราจะได้สักทีเมื่อไหร่จะได้สักทีเมื่อไหร่จะได้สักทีถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีวันได้ความคาดหวังมันก็จะพยายามดึงใจให้เราออกจากทางที่ถูกต้องด้วย ซึ่งถ้าเราไม่คอยดูแลไม่คอยสังเกตให้ดีมันก็พาเราออกนอกทางนั่นแหละแทนที่จะใจอยู่บนพื้นฐานของกุศลก็ไปอยู่บนโลภะจิตแทนใจที่มันอยากได้มันก็เป็นโลภะนะเป็นอ ก, กุศลพ ม, มันเป็นอ ก, กุศลสมาธิทีด่ดีมันตั้งอยู่บนกุศลไงมันก็คนละอยา่างกัน เราไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนแต่เราทำให้มันละเอียดการงานเราก็ไม่ได้มีอะไรยากแค่คอยเฝ้าเห็นกายเห็นใจมีสติเห็นกายเห็นใจแล้วก็คอยดูแลดูความเป็นไปของมันน่ะให้ว่าธรรมชาติจริงๆมันเป็นยังไงการงานเราก็มีอยู่เท่านี้แหละมีสติคอยทำความสงบให้ใจเป็นพื้น พอใจสงบแล้วเราก็เอามาพิจารณาให้ใจมันเข้าใจสภาวะต่างๆตามความเป็นจริงแค่นั้นเองพอใจที่มันได้พิจารณาถึงความเป็นจริงแล้วก็ไม่ไม่มีความเห็นที่มันย้อนแย้งไม่มีความเห็นที่มันสวนทางกับธรรมชาติความเป็นจริง นั้นเราสบายแน่นอนมีความสุขได้แน่นอนเราก็ต้องคอยสอนมันให้มันค่อยๆเห็นึความจริงทีละน้อยทีละน้อยให้มันค่อยยอมรับความจริงทีละน้อยทีละน้อยภายนอกเราควบคุมไม่ได้เราก็เห็นว่ามันควบคุมลําบากอยากได้อะไรแล้วเรามัน ทำไม่ได้ดังอยากมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่ผูกไม่ฝากใจเอาไว้กับเรื่องภายนอกมากจนเกินไปหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเองก็ตา่างมันก็เป็นส่วนผสมของสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือมันไม่มี ตัวตนที่จะสั่งได้บังคับได้บอกได้มันมันใช้อยู่ได้ควบคุมอยู่ได้บ้างตามโอกาสแต่มันควบคุมไม่ได้ทั้งหมดอย่างคนที่ป่วยไข้เราก็สั่งตัวเองไม่ได้หรอกว่าหายป่วยนะตอนนี้จงหายป่วยสั่งไม่ได้มันไม่เชื่อหรอก หรือจงมีความอ่อนเยาวลงไปยี่สิบปีอย่างน้อยมันก็ไม่ฝังมันไม่ทำให้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันนะว่าเออไอร่างกายนี้นะเราพามันไปกินเราพามันไปดื่มเราพามันไปนอนแต่สิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ก็มี สิ่งที่มันเห็นว่าเป็นของสวยของงามของดีของร่างกายจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราพอจะควบคุมบังคับมันบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นความสะอาดของร่างกายเป็นตน้นเราอาบน้ำเราทำความสะอาดร่างกายก็ทำให้มันได้ ว่างเว้นไปจากความโศกปรกสักพักหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราพอบริหารมันไปได้ไม่ใช่ว่ามันควบคุมไม่ได้ก็ไม่ทำอะไรเลยปล่อยทิ้งอันนี้ก็ไม่ใช่มีก็ใช้ให้มันดีมีก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์อันนี้คือสิ่งจำเป็น อย่างพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ทำมากกว่าจะได้หลุดพ้นจากทุกข์เนี่ยก็เดินเตอบนกองทุกข์นี่แหละพราะรู้จักทุกข์จึงพ้นทุกข์ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรอื่นมีหน้าที่ที่เราจะทําความสงบเป็นพื้นให้กับจิตใจเสียก่อนให้ใจเราได้รับความสบายเสก่อน มันจะได้ไม่ลําเอียงมันจะได้ไม่ ห, ม, ม, หมุดหีดฟุ้งซ่านจนพิจารณาอะไรไม่ผี่ท้วนพอมันสงบสบายแล้วเราก็เอามาพิจารณาตามความเป็นจริงนี่แหละซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็วางแนวทางไว้ให้ก็มาดูกายเราเนี่แหละดูกายเราดูกายเขากายเราเป็นยังไงกายเขาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ไม่ต่างกันเป็นของไม่สะอาด เป็นของที่บอกไม่ได้ว่าไม่ฟังมีความตายเป็นที่สุดตอนนี้เราถือว่าโชคดีมีศาสนามีคำสอนซึ่งเราไปอยู่ในยุคที่ไม่มีศาสดาไม่มีคำสอนหรือมีศาสดาแต่เป็นศาสดาแบบไม่ได้เป็นสัพพัญยู เป็นผู้รู้ทั่วอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีทั้งคำสอนที่ในส่วนถูกต้องและไม่ถูกต้องปนๆกันไปในศาสนานั้นๆซึ่งก็จะไม่ได้นำพาให้เราทำที่สุดจบได้ไปเกิดในยุคที่ไม่มีศาสนาเนี่ย โอกาสที่เราจะได้สั่งสมบุญก็น้อยโอกาสที่เราจะเห็นว่าทำบาปแล้วเป็นบุญก็มีมากความเห็นต่างๆมันก็จะไม่ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่มันเป็นแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของมันนั่นแหละฝ่ายบุญ ฝ่ายกุศลก็แสดงเอาไว้ฝ่ายบาดฝ่ายอากุศลก็แสดงเอาไว้แสดงทั้งฝ่ายทางเจริญแสดงทั้งฝ่ายทางเสื่อมแสดงให้เราเห็นว่าทางฝ่ายเสื่อมเราก็ควรที่จะละมันส่วนฝ่ายที่เจริญก็ทำให้มากจเจริญให้มาก เพื่อที่จะนำพาจิตใจของเราให้มันหลุดพ้นจากกองทุกข์อันนี้ซึ่งเราก็ถือว่าโชคดีแล้วเกิดมาในยุคที่ยังมีาศาสนามีคำสอนที่ยังบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่แล้วก็มีคนที่ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามได้ยังบอกแนะนวทางได้ ก็ถือว่าเป็นยุคที่ยังเป็นยุคที่ดีอ่ะเป็นยุคที่เจริญแต่เราจะอยู่ในยุคที่ดีแบบนี้อย่างเสียเปล่าหรือเปล่าหรือเราจะอยู่อย่างได้ประโยชน์จากยุคอันนี้ไปอันนี้เราก็เป็นคนเลือก เพราะเราได้สิ่งที่ได้มาได้โดยยากก็คือศาสดาคําสอนแล้วก็อัตภาพการเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้มาง่ายพระพุทธองค์เปรียบไว้ว่าความยากร ะ, ระดับความยากในการที่จะเกิดมาเป็นคนระดับความยากมันเท่ากับการที่มีตาที่ตาบอดตัวหนึ่ง ทำผุดทำว่ายอยู่ท่ามกลางทะเลมหาสมุทรตาบอดด้วยว่ายอยู่ในน้าด้วยว่ายไปทีงไหนก็ไม่รู้แหละไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วก็มีแอดน้อยอันหนึ่งก็เหมือนเหมือนห่วงห่วงอะไรสักห่วงนึงอะนะอยู่ท่ามกลางทะเลมหาสมุทร ก็ลอยเทงเตไป ต, ตามคลื่นคลื่นมันจะซัดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นกำหนดทิศทางไม่ได้เต่านี่ก็ว่ายไปเรื่อยทุกหนึ่งร้อยปีมีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาบนผืนน้ำหนึ่งครั้งทุกหนึ่งร้อยปีนะโอกาสที่จะได้ขึ้นมาหนึ่งครั้งโอกาสความยาก ที่มันจะมาเจอแอกแล้วก็เอาหัวเนี่ยสอดเข้าไปในแอกได้ทุกๆหนึ่งร้อยปีมีโอกาสแค่ครั้งเดียวแองมันก็ลอยอยู่ในมหาสมุทรที่มันกว้างใหญ่น่ะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วโอกาสครั้งหนึ่งในไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยความยาวนานความยากมันปานนั้นนะ ที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์สักชาติหนึ่งท่านก็เปรียบไว้แบบนี้มันไม่ได้ง่ายเลยที่เราจะได้อัตภาพการเป็นมนุษย์และมันไม่ง่ายเลยที่ว่าเราจะได้อัตภาพมนุษย์มาแล้วเนี่ยอยู่ในโกลเด้นพีเรียตแบบนี้อยู่ในช่วงยุคทองที่มีศาสนามีคําสอนที่จะสามารถนำตนให้ออกจากทุกข์ได้เราได้ สิ่งดีๆโอกาสดีๆมาแล้วก็พยายามใช้ให้มันดีพยายามใช้ให้เต็มที่อย่าไปมัวแต่จมปลักอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์เข้าของเงินทองมากจนเกินไปสิ่งพวกนั้นนี่ตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งซึ่งถ้ามันเอาไปได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้อง บอกสอนว่าเออเรามาขากันนะเงินทองมากมากีารกิจยศกันมากมากนะแต่เพราะความเป็นจริงคือมันเอาไปไม่ได้เราก็อย่าไปให้ค่ากับมันมากการที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วอยู่แบบเหนือโลกได้เราก็ต้องไม่ติดไม่ติดในในโลกคนเราติดกันมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างแล่ะ ติดในอะไรมีลาบมีเสื่อมลาบใช่ไหมมียศมีเสื่อมยศมีนินทามีสนเสริญมีสุขมีทุกข์แปดอย่างนี้มันก็เป็นธรรมธรรมะประจำโลกใบนี้ที่มันก็ขังขังคนให้มันติดอยู่ในวังวนอันนี้วังวนแปดอย่างนี้แหละ บวมีลากเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศอยู่ในวงการนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เหล่านี้ถ้าเราระดับมาได้ฝึกตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้แจกแจงไว้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ติดอยู่ในโลกธรรมอันนี้เราก็จะหลุดออกจากโลกธรรมอันนี้ได้ อยู่เหนือโลกอยู่บนโลกนี่แหละแต่ก็เหนือโลกใจเรานี่แหละที่มันเหนือเหนือโลกนี้ไปกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยความเพียรความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจเอาใจใส่ในทางเดินในวิถีทางที่ถูกต้องอันนี้คือเรื่องจํำเป็นมากๆ ยำทำบ่อยๆทําำเนืองทําให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตประจําวันของเราให้ได้ตอนนี้ชีวิตประจําวันเรามันอาจจะดูไม่ปกติเพราะเราอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นคอร์สที่สภาวะแวดล้อมมันมันโดนบริหารจัดการให้แล้วแต่เวลาที่เรากลับไปบ้านกลับไปที่ทํางานกลับไปในชีวิต ของเราจริงๆสภาพแวดล้อมมันจะไม่เหมือนแบบนี้แหละมันก็จะวุ่นวายกว่านี้เยอะแต่เราจะให้เวลาเฉพาะเช้าหรือก่อนนอนที่จะมาดูแลจิตใจมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะแทรกมันลงไปในทุกๆช่วงเวลาของเรา ช่วงไหนทําง่ายก็ทําให้มันบ่อยๆช่วงไหนที่มันยังทํายากแต่ก็ไม่ละเลยที่จะหาช่องที่จะพยายามแทรกมันลงไปเหมือนอย่างทํางานบางคนงานค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดมากต้องพินิษวิเคราะห์มากการที่เราจะเห็นใจมีสติเห็นใจก็อาจจะลดลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาเป็นข้ออ้างที่เราจะ ไม่พยายามที่จะมีสติเขียนใจทำได้น้อยก็เอาช่วงนี้มันยังทำได้น้อยก็เอาช่วงไหนอย่างกินข้าวอย่างเงี้ยเราอาจจะกินข้าวคนเดียวบ่อยๆไม่ได้คลุกคลีกับใครช่วงนี้เราก็มีสติรักษาใจได้เต็มที่เลยหรือแม้แต่ช่วงพักเบรกไปเข้าห้องน้ำเราก็มีสติคอยรักษาใจ จากที่ปกติไม่เคยทำเลยใจก็ฟุ้งไปกับเรื่องที่เขาพูดมาเมื่อกี้บ้างฟุ้งไปกับเรื่องอนาคตบ้างจะทำอั น, นันบ้างอันนี้บ้างแต่พอเราฝึกแล้วเนี่ยเราก็ได้มีสติที่มันเกิดขึ้นที่จะไม่ปล่อยใจไปแบบนั้นรักษาใจเราไว้ที่มีสติเห็นกายที่มันกำลังทำการงานอยู่ พยายามแทรกมันไปเล็กๆน้อยๆได้นิดๆหน่อยๆช่วงไหนเราก็เอาหมดแหละแล้วมันก็จะค่อยๆดีนนขึ้นค่อยๆชํานาญขึ้นสัดส่วนที่เราจะทําได้มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นอย่างตอนเช้าก่อนนอนเอาง่ายมันมันถ้าเปรียบเปรียบไปเหมือนเป็นสงครามแย่งพื้นที่กันทหารเขาก็แย่งพื้นที่กันใช่มสู้กันไป ยึดเมืองนั้นได้ยึดเมืองนี้ได้อันนี้มันก็เป็นสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมะเราก็ต้องยึดยึดพื้นที่คือมาจากกิเลสช่วงไหนเรายึดได้ได้ง่ายเราก็ยึดมาก่อนหลังตื่นนอนก่อนนอนเนี่ยเรายึดได้แน่นอนอยู่แล้วอย่างช่วงเวลาอาบน้ำแปลงฟันเนี่ยมันก็พอยึดได้สบายๆใช่ไ ในช่วงเวลาที่เรารบรบชนะโอกาสที่มันรบชนะมันจะสูงแต่อย่างช่วงทำงานต้องใช้ความคิดความอ่านต้องพบปะผู้คนอาจจะรบไม่ชนะแต่ก็พยายามสู้ใช่ยิ่งเราพยายามสู้มากเท่าไหร่มันก็ต้องมีช่องให้เราสู้กับมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆมีอุบายที่เราจะทำให้สติ เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆนได้ดีขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมเพิ่มเติมพื้นที่ในที่นี้ก็คือเวลานะเวลาที่ใจเราจะใช้ไปกับกิเลสหรือเวลาที่เราจะใช้ไปกับธรรมะไม่เป็นสงครามที่เราจะแย่งเวลากัน แต่บอกเลยว่าเราไม่ได้วางแผนที่มันยืดยาวอะไรมากแผนรบของเรามีแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองรบชนะให้มันได้หนึ่งวันเพราะอะไรเพราะว่ากิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมากยิ่งทำงานเนี่ยจะรู้เลยว่าอาวหมดวันหมดวั น, ห ม, วนหมดวันไปด้วยกิจกรรมเดิม มันฉายหนังซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำเก่าพรุ่งนี้มันก็เหมือนวันนี้เันรอ่นมันก็เหมือนวันนี้กิจกรรมไม่ค่อยต่างกันซึ่งถ้าเราบริหารจัดการตารางชีวิตของเราได้อย่างดีไม่ต้องเอาทั้งเดือนหรอกเอาแค่วันเดียวพอถ้าเราบริหารจัดการตารางชีวิตหนึ่งวันของเราได้ดีมันดีแน่นอนดีระยะยาวเลยนะเพราะฉะนั้น นอกจากมันจะเป็นสงครามระหว่างธรรมะกับกิเลส ท, ที่จะคอยแย่งชิงเวลากันแล้วเนี่ยถ้าเราจะช่วยเสริมให้ธรรมะมันมีกำลังดีขึ้นมีกองหนุนเราต้องจัดระเบียบจัดตารางเวลาที่มันจะเอื้อให้กับสติเอื้อให้กับธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆอายกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราตอนเย็น เลิกงานเราชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยๆไปทำงานห้าวันก็ไปกันห้าวันนี้เป็นต้นเราลดลงสักสองวันเริ่มต้นก่อนอีกสองวันที่เหลือเราก็ธรรมะมันก็ได้ช่องแหละเกิดขึ้นโอกาสว่างเกิดขึ้นธรรมะมันก็ได้ช่องขึ้นพอเราทำได้อา้าวเรา สองวันขยายเป็นสามวันได้เาช่องของธรรมะมันก็เกิดขึ้นได้อีกอันนี้เราก็ต้องเป็นผู้ฉลาดในการที่จะบริหารจัดการตารางเวลาชีวิตของเรา ไม่พักได้15นาที